สิ่งที่จะทำให้ไม่เกิดโทษขึ้นได้เคยไปพูดเอาไว้ตอนนั้นกำลังมีคำหนึ่งพูดกันมากในสังคมไทยคือคำว่านิ ร, รโทษนิ ร, รโทษ <s> <s> เคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะนิ ร, รโทษเนี่ยต้องทำตั้งแต่มีธรรมะชุดหนึ่งที่จะป้องกันปัญหานี้ขึ้นมาคืออปันนากะปฏิปทาเคยได้ยินไหม อปันนกะปฏิปทาแปลว่าธรำรที่ไม่มีโทษไม่ใช่นินรโทษปฏิปทานะนี่เป็นคํายุคนี้แต่ยุคในยุคก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าอปันนกะปฏิปทาอปันนกะปฏิปทาเนี่ยมีอยู่สามข้อง่ายๆเคยเคยเรียนไหมนักธรรมตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรีสามข้อ ข้อแรกคืออินเซียสังวรอินทซียสังวรข้อที่2คือโพชเนมัตตัญยุตาข้อที่สคือชาคริยานุโยคเคยได้ยินไหมสามข้อถ้าไม่เคยได้ยินพูดอีกสามอิธทีอินทรียสังวรโภชเนมัตตัญยุตาชาคริยานุโยคอินทรีย์สังวรรู้จักไหมอินรีย์บวกกับคำว่าสังวรอินทรีย์คืออะไร ตาหูจมูกลิ้นกายใจแปลว่าความเป็นใหญ่หกอย่างตาเป็นใหญ่ในการรับรู้รูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสและอีกกายเป็นใหญ่ในการรับรู้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวใจเป็นใหญ่ในการรับรู้ธรรมารมธรรมารมคือความคิดนึกต่าง สังวรแปลว่าสัมรวมสัมรวมอินทรีย์ก็คือว่าถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรอบสัมผัสธรรมรมแล้วเกิดกิเลสให้รู้ทันแล้วอย่าไปคลุกกับมันนานแล้วอย่าไปคลุกกับมันนานนี่คือสัมรวมระวังจะสัมรวมระวังได้ต้องเจริญสติต้องมีสติรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวก็คลุกอยู่นั่นแหละไม่ไม่เกิดการสังวรขึ้นมาได้ จะสังวรขึ้นมาได้ต้องมีสติรู้ว่าเมื่อตาเห็นรูปนี้แล้วเกิดกิเลสต้องมีตัวรู้ก่อนนะว่าเห็นนี้แล้วเกิดกิเลสเห็นอีกเกิดกิเลสอีกแล้วจะไปเห็นมันมทำไมบ่อยๆใช่ไหมก็หลีกเลี่ยงออกไปนี่คือสำรวมระวังเช่นเห็นหน้าคนนี้แล้วเกลียดมากอยู่แล้วก็เกลียดมากเราจะติดรูปเข้าไว้ไหม แล้วจะคลิกหาคลิปเข้าบ่อยๆไหมมันก็ไม่สํารวมใช่ไหมไม่ระวังตัวเองดูบ่อยก็โกรธบ่อยเนี่ยก็ว่าไม่สังวรไม่สังวรไม่มีไม่มีอินรีสังวรถ้าดูเพื่อหาข้อมูลรับข้อมูลแล้วก็พออ่าคนนี้ก็ทำไม่ดีอย่างนี้อ่าับรู้แล้วถ้าไปเสพบ่อยๆก็สั่งสมโทรศะ น, นคะครัที่สั่งสมโทสะจิตเป็นอกุศลด mm ัง hmm. นั้นต้องมีอินทสียสังวรดมแล้วไม่ชอบฟังแล้วไม่ชอบหรือฟังแล้วมีกิเลสมีราคะดมแล้วมีราคะสัมผัสแล้วมีราคะหรือที่บ่อยเลยคือคิดนึกในใจ mm hmm. คิดแล้วมีกิเลสให้รู้ทันคิดแล้มกิเลสให้รู้ทันมันจะได้ไม่คิดซ้ําบ่อยๆในเรื่องนั้นจิตจะได้มีกุศลบ้าง มันมีกุศลตั้งแต่รู้ตัวว่าเมื่อกี้เกิดกิเลสอะไรเกิดกิเลสอะไรขึ้นนั้นอินทียสังวรจะทำได้จริงเมื่อมีสติรู้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ว่ารูปนั้นดีหรือไม่ดีแต่เห็นแล้วจิตเป็นยังไงเกิดกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรูปนั้นดีแต่จิตคิดไม่ดีอะเห็นแล้วคนนี้สวยแต่คิดไม่ดีก็ถ้าอดใจไม่ได้อย่าไปดู อย่าไปดูท่านจึงเตือนพระกับผู้หญิงนะไม่จะเป็นต้องไปดูไม่จะเป็นต้องมองถ้าจะเป็นต้องมองก็ไม่จำเป็นต้องคุยถ้าจะเป็นต้องคุยต้องเจริญสติตั้งทีพระก็จะเป็นต้องมีการสนทนากับสตรีเพศงี้ยก็ต้องมีสติกํากับอยู่ตลอดอนี่นะเรียกว่าเจริญอินทรียสังวรข้อที่สองอะไร นะโภชนเนมัตตัญยุตาโภชเนมัตตัญยุตาโภชนะรู้จักไหมโพชนะอาหารการกินทั้งหลายมัตตัญยุตาแปลว่าประมาณต้องรู้ประมาณถ้าไม่ประมาณเกินตัวไม่เรียกว่าประมาณไมม่่เรรียกวาาปะาณงบประมาณก็ต้องประมาณประมาณตัวเองใช่ไหมว่าตัวเองจะมีกําลังพอจะใช้หนี้เขาไหมนี่นะถ้า งบไม่ประมาณสแสดงว่าไม่ประมาณตัวเองโพชเนมตันยุตาก็ต้องประมาณแม้แต่จะกินก็ต้องประมาณกินมากเกินไปก็เกิดอึดอัดกินก็ต้องดูประมาณในสิ่งที่กินแม้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กินมากเกินไปก็กลายเป็นโทษแม้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าว่าแต่สิ่งที่เป็นโทษเลยสิ่งที่เป็นโทษกินน้อยก็เป็นโทษยิ่งกินมากเป็นโทษมาก แล้วจริงๆก็ต้องรวมรวมไปถึงบริโภคประเภทที่เป็นสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดต่างๆบริโภคไปแล้วเป็นเป็นโทษก็ต้องหลีกเว้นเลยรู้จักประมาณรู้จักว่าอะไรควรบริโภคอะไรไม่ควรบริโภคชาคริยานุโยครู้จักคำว่าชาคริตไหมชาคริตแปบลบว่าตื่น ชาคริตก็เป็นคำบาลีแปลว่าตื่นเราจรึงนิยมเอามาตั้งชื่อหวังว่าคนชื่อนี้จะตื่นชาคริยานุโยคคือประกอบประกอบความตื่นให้เกิดขึ้นอนุโยคอนุโยคะประกอบความตื่นให้เกิดขึ้นความตื่นจะเกิดขึ้นก็ย้อนกลับมาเรื่องสติอีก ความตื่นเนี่ยตื่นแบบทั่วๆไปแบบโลกโลกก็คือตื่นจากนอนตื่นเช้ามาลืมตาตื่นประกอบความตื่นคือคือไม่ติดสุขในการนอนนี่ว่าแบบทั่วๆไปไม่ติดสุขในการนอนถ้า ต, ติดสุขในการนอนก็กลายเป็นขี้เกียจส่วนตื่นที่น่าจะฝึกให้มากขึ้นก็คือตื่นทางจิตรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตพอตื่นขึ้นมาแบบแบบลักษณะนี้เนี่ย จะเป็นตื่นด้วยสติสติจึงเป็นเครื่องตื่นของโลกสติโลกาสมิงชาคาโรโอชาคาโรโออยู่ตรงนี้อีกชาคาระแปลว่าตื่นสติโลกาสมิงโลกาสมิงก็คือของโลกสติเป็นเครื่องตื่นของโลกใครที่ พอปฏิบัติธรรมขึ้นมามีรู้สึกว่ารู้สึกว่าตื่นเห็นเห็นสภาวะครั้งแรกจะรู้สึกว่าตื่นมีไหมอาตมานี้เคยนะฟังฟังธรรมะแล้วรู้ว่าตัวเองทำผิดครั้งแรกเนี่ยปี 4-9 ่เก้าปีส่าเป็นปีสคัญบางคนอาจจะนึกถึงเรื่องอื่นนะปี49เ้านี่ยคนอื่นจะไปนึกถึงอะไรก็ไม่รู้ แตป่ปี49ที่น่าจะนึกถึงนะสำหรับผลทั่วไปคือปีที่ชาวไทยไปรวมกันที่หน้าพระที่นั่งอนันต์ตรงนั้นเป็นภาพที่น่าชมมากแต่สาหรับอาตมาเองสาหรับชีวิตของการปฏิบททัติธรรมปี49เป็นปีสำคัญเป็นปีสำคัญเพราะรู้ว่าตัวเองทำผิดตัวเองปฏิบัติผิดอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง หนังสือชื่อว่าวิถีแห่งความรู้แจ้งเคยอ่านไหมถ้าไม่เคยอ่านเคยฟังไหมมีออฟชั่นนะอ่านเล่มนี้แล้วตอนอ่านนะต้องอ่านคนเดียวด้วยอ่านเรื่องสำคัญนีน้ต้องอ่านคนเดียวในที่เงียบๆไม่มีไม่มีใครมากวนอ่านถึงบทที่บอกว่าทางผิดที่ติดตายใครรู้สึกว่าทา การปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ไปไหนสักทีมันติดอยู่ตันอยู่ตังเนี้ยลองดูซิว่าเราไปทำผิดอะไรบ้างนะเขาให้มีความรู้ตัวไปเมอะเมอหรือเปล่าไปทำใจลอยลอยเคลิมเลิมอะไรหรือเปล่าขาดสติหรือเปล่า